เป็นไปตามที่มโนทวาราวชณะจิตหรือโวตถพณะจิตสั่งไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีอันเดียวคือมันสังเกตสภาวะรูปนามเขาไว้เช่นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเผลอก็รู้จิตเพ่งก็รู้จิตกโกรธก็รู้จิตรัก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 หากจิตมีความเข้าใจสภาวะธรรมใดชัดเจนแล้วเมื่อสภาวะธรรมนั้นปรากฏวทะพนจิตก็จะเป็นปัใจจัยให้สติเกิดโดยไม่ต้องจงใจทำขึ้นมาสติที่เกิดเองนี่แหละเป็นสัมมาสติจริงๆจิตในขณะนั้นจะโปร่งเบาเบิกบานไร้น้ำหนักส่วนสติที่จงใจสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจของตัณหา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 เพราะจิตจะมีสติหรือมีกิเลสก็ด้วยอา น, นาจของมโนทวาราวชณะจิตหรือโวฒภพณะจิตเป็นผู้กำหนดและเมื่อสติเกิดแล้วถึงอย่างไรก็เกิดได้ในช่วงสั้นๆตำรา บ, บอกว่าเกิดได้ทีละเจขณะจิตเท่านั้นจะทำให้ต่อเนื่องยาวนานกว่านั้นไม่ได้เว้นแต่ทำฌานาจิตแต่ถ้าคุณฝึกจเจริญสติปัฏฐาน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 เหมือนคุณมีผ้าที่มีตาหนิอยู่ผืนหนึ่งหากคลี่ผ้าออกดูเสมอๆก็ย่อมพบตาหนินั้นจนได้แต่ถ้าไม่ดูผ้าผืนนั้นคือไม่ดูรูปนามหรือเอาแต่คิดคาดคะเนว่าผ้าน่าจะมีรอยตาหนิคือหลงอยู่กับความคิดหรือสมมติบัญญัติคุณก็เห็นตาหนิของจริงคือไตรลักษณ์ไม่ได้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 รักอะไรไม่สำคัญสำคัญ ท, ที่รู้ว่าจิตมีอาการรักโกรธอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการโกรธฟุ้งซ่านเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการฟุ้งซ่านและหดหูด้วยเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการหดหู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 หรือวิสังขารดังนั้นถ้าจูจ่ๆเราดูเข้าไปที่ความว่างเราจะหลงเพ่งช่องว่างหรือเพ่งความไม่มีอะไรเลยนิพพานชนิดนั้นเรียกว่านิพพานพรมไม่ใช่นิพพานพุทธหนทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพาดาเนินจึงต้องรู้ถุกคือรู้ความปรุงแต่งหรือรูปนาม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 คือภาพลวงตาที่ตั้งซ้อนอยู่กับรูปนามเมื่อเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงภาพลวงตาก็หายไปเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้ความยึดถือรูปนามก็ดับไปเมื่อจิตปล่อยวางรูปนามหมดความดิ้นรนแสบใจเพราะความหิวในอารมณ์นิพพานคือความดับแห่งตัณหาก็ปรากฏขึ้น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 ฟังหลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องจิตอยู่เหนือขันแล้วทำให้นึกได้ว่าเคยอ่านคำสอนของท่านฮวงโปมีกล่าวถึงคำว่าจิตหนึ่งขอทราบว่าจิตหนึ่งคืออะไรครับคำว่าจิตหนึ่งไม่มีปรากฏในคำสอนฝ่ายเถรวาตแต่ถ้าเทียบเคียงสภาวะก็น่าจะได้แก่มหากิริยาจิต ซึ่งมีเฉพาะในพระอาหารหันต์เท่านั้นถามขอเรียนถามว่าจิตของพระอาหารหันต์ที่เรียกว่ามหากิริยาจิตนั้นมีลักษณะอย่างใดตามตำราบอกว่าเจาวนาจิตที่รู้อารมณ์ทางใจ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 เป็นบาปและการเที่ยวแสวงหาความว่างสิ่งที่ผลักดันให้จิตทํางานหรือทํากิจทํากรรมก็กรรมกคือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่รู้ทุกข์หากจิตมีปัญญารู้แจ้งว่าการจงใจหรือการมีเจตนาแสวงหาอารมณ์ทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปและความว่างอันเป็นการทํางาน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 แล้วลงมือปฏิบัติดูที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือยงังอาตมา ต, ตอบว่ายังไม่ถูกเพราะคุณยังปฏิบัติอยู่การปฏิบัตินั่นเองคือความปรุงแต่งถ้าคุณตามรู้กายใจโดยไม่ปรุงแต่งคุณก็ว่างจากความเป็นตัวตนอยู่แล้วเพียงเท่า น, นี้ท่านผู้นี้ก็เข้าใจได้ว่าการเจริญสติที่แท้จริงนั้น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 มันผิดที่ไปแต่งจิตแต่งอารมณ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าทำให้รู้ไปตามที่มันเป็นตั้งหะกเธอผู้นั้นร้องไห้กลับไปหาทางทำแบบใหม่มาอีกทุกเดือนจนวันหนึ่งหมดกำลังใจที่จะทำแล้วเกิดเห็นว่าจิตกำลังทอแท้ก็เลยปฏิบัติเป็นเพราะพอจิตทอแท้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 ทั้งที่แต่ละคนมีขีดความสามารถในทางโลกไม่แตกต่างกันนักขอตอบว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นพวกเราไว้จากธรรมนอกจากความไม่รู้แล้วหลงปรุงแต่งจิตของเราเองผู้ใด 1. อยากปฏิบัติมากแล้วพยายามสแสวงหาธรรมด้วยอำนาจของตัณหาหรือสอง เจ้าความคิดมากด้วยอำนาจของทิฐิหรือ 3. ไม่กล้าศึกษาธรรมด้วยอานาจของมานะว่าเราเก่งแล้วถ้าถามผู้อื่นจะทำให้เราเสียหน้าเป็นต้นผู้นั้นจะยิ่งพลาดจากหนทางสายนี้เพราะเป็นหลงทำให้การเจริญสติซึ่งเป็นของง่ายที่สุดธรรมดาที่สุดกลายเป็นอะไรบางอย่าง ที่ยากเย็นและลึกลับเสียละเกินส่วนผู้ใดกล้าหารพอที่จะรู้รูปนามไปตามความเป็นจริงรู้ซื่ อ, อรู้ตรงตรงก็จะเข้าใจทำได้ไม่ยากเลย เสียงสื่อเรื่องพระทีบส่องธรรมโดยพระอาจารย์ปราโมทป่าโมโชขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี